นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสมพุทธะกอ น, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะโคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีในสมัยนั้นท่านพระอุทายีผู้อันเครือขัดบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงทำอยู่ท่านพระ อ, อนนต์ได้เห็นท่านพระอุทายี ผู้อันเคลือนบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่กวรข้างหนึ่งกลั้นแล้วได้กราบทูลถึงเรื่องนั้นกับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอานอนุ์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําได้ง่าย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมห้าประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นธรรมห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าก็เธอพึงตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความพึงตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมอ้างเหตุผล พึงตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดูพึงตั้งใจว่าเราจะไม่เพ่งอาม i ตรแสดงธรรมพึงตั้งใจว่าเราจะไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นอาน น, นการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่ายเธอผู้ใดเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่น พึงตั้งทำห้าประการนี้ไว้ในภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพิสษจทั้งหลายพวกเธอจงเป็นประดุดพระจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดเป็นผู้ไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลเดิดพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนบุตรจะบึงพรากกายพรากจิต และดูบ่อน้ําซึ่งคร่ำคร่าหรือที่เป็นหลุมเป็นบ่อบนภูเขาหรือแม่น้ําที่ขายเป็นห่วงๆฉันใดพวกเธอจงเป็นประดุดพระจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองในสกุลเข้าไปสู่สกุลฉันใดพิสุทิ์ทั้งหลายกส ป, ป ะ, ปะเปรียบประดุดพระจันทร์พรากาย พรากจีดอกแล้วเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลคังนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงโบกพระหัตในอากาศตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายฝ่ามือนี้ไม่คล่องไม่ยึดไม่พัวพันในอากาศฉันใดจิตของเธอผู้เข้าไปสู่สกุลไม่คล่อง ไม่ยึดไม่พัวพันฉชนนั้นเหมือนกันโดยตั้งใจว่าผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญดังนี้เธอเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบตามที่เป็นของตนฉันใดก็เป็นผู้ปลอยพอใจดีใจด้วยลาบของคนเหล่าอื่นฉันนั้นเธอผู้เห็นปานนี้แล จึงควรเข้าไปสู่สกุลพิสุทธิ์ทั้งหลายจิตของเธอผู้เข้าไปสู่สกุลไม่คล้องไม่ยึดไม่ปัวพันในสกุลทั้งหลายโดยคิดว่าผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญดังนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายเธอผู้ใดผู้หนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ ส่วนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้นจะพึงทำอาการของผู้เลื่อมใสต่อเราดังนี้ย่อมแสดงธรรมแก่ชนเราอื่นพิสุทธิ์ทั้งหลายธรรมเทศนาของเธอผู้นี้เห็นปานนี้แหลไม่บริสุทธิ์ส่วนเธอผู้ใดมีความคิดอย่างนี้ว่า พระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาครัดไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันบุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกผู้อื่นให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตนเป็นข้อที่อันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะด้วยตนโอ๋หนา่ชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา ก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทัวถึงธรรมนั้นก็แลครั้นรู้ตัวถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นหรือเพราะอาศัยความที่แห่งพระธรรมเป็นธรรมอันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นหรืออาศัยความกรุณนาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น หรืออาศัยความเอนดูจึงแสดงธรรมแก่ชั้นเราอื่นหรืออาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชั้นเราอื่นด้วยประการชนนี้ธรรมเทศนาของเธอผู้เห็นปานนี้แหลเป็นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์พิสุทธิ์ต้องหลายคนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตูตถาคต2ฐ์สจำพวกคือ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่ตาตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้ตรัสไว้หรือคนที่แสดงสิ่งที่ lawsuit, ตถาคตภาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้ตรัสไว้พิสุจ์ทั้งหลายคนสองจำพวกนี้แหละย่อมกล่าวตูตถาคต พิสุทธายคนสองจำพวกอีกต <c oughs> <adop te |notimestamps|> ่อไปนี <gosh everyday> ้ย่อมไม่กล่าวตูตตถาคตคือคนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้ตรัสไว้คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตพาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตพาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้ บุคคลสองจนพวกนี้แหละย่อมไม่กล่าวตู่ตถากฏวิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมประการเป็นผู้สามารถพอตัวในการช่วยตนเองพอตัวในการช่วยผู้อื่น6ประการคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้จับช่วยได้เร็ว ในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งมีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมะที่ได้ฟังแล้วหนึ่งมีปกติใกล้กรนเนื้อความแห่งธรรมะที่สรงไว้ได้หนึ่งรู้อัตถะรู้ธรรมาแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งมีคำพูดไพเราะกระทําการพูดให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง อันสลัดสลวยจำใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้หนึ่งสามารถชี้แจงชักจูงเพื่อนสับปรมจารีทั้งหลายให้อาหารร่าเริงด้วยหนึ่งปิสุทธิ์หลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยทำห6ประการเหล่านี้แหละเป็นผู้สามารถพอทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นส่วนเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยทำห้าประการ ต่อไปนี้เป็นผู้สามารถพอตัวในการช่วยตนเองพอตัวในการช่วยผู้อื่น5้าอย่างคือเธอในกรณีนี้ไม่เป็นผู้จับ่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายแต่มีธรรมชาติแห่งความทรงจาธรรมะที่ได้ฝังแล้วหนึ่งมีปกติใกล้กรวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจาไว้แล้วหนึ่ง รู้อาาัตตะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งมีคำพูดไภเราะกระทำการพูดให้ไผเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสละสุวยแจ่มใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้หนึ่งสามารถชี้แจงชักจูงเพื่อนสัพ์รมารีทั้งหลายให้อาหารร่าเริงด้วยหนึ่ง ทีสุดทลายส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถพอตัวในการช่วยตนเองแต่ไม่พอตัวในการช่วยผู้อื่น4ประการคือยในกรณีนี้เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย1มีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมะ ที่ได้ฟังแล้วหนึ่งมีปกติไครคกรวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้แล้วหนึ่งรู้อัฏฐะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งแต่เขาหาเป็นผู้มีคำพูดไพเราะกระทาการพูดให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันรรสลัดสวยจำใสชัดเจน อาจให้รู้เนื้อความได้ไหมและทั้งไม่สามารถชี้แจงชักจูงเพื่อนศัพ์พรมมารีทั้งหลายให้อจหารร่าเริงพิสุทิ์ทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้ธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถพอในการช่วยผู้อื่นแต่ไม่พอในการช่วยตนเอง 4ีประการคือ 1. เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลทรัรยทั้งหลายมีธรรมชาติแห่งความทรงจาธรรมะที่ได้ฟังแล้วแต่เขาไม่มีปกติไคร์ครวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจาไปแล้วและทั้งไม่มีอัฏฐะและทั้งไม่รู้อัฏฐะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่ง มีคำพูดไพเราะกระทาการพูดให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสละสลวยแจ่มใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้หนึ่งสามารถชี้แจงชักจูงเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายให้อาจหารรา่าเริงวิสุตทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมสประการต่อไปนี้ เป็นผู้สามารถพอตัวในการช่วยตนเองแต่ไม่พอตัวในการช่วยผู้อื่นคือตัวในกรณีนี้ไม่เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เขามีธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมะที่ได้ฟังแล้วหนึ่งมีปกติใคร่กรวนเนื้อความแห่งธรรมะ ที่ทรงจำไว้แล้วหนึ่งรู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่เขาหาเป็นผู้มีคำพูดไพเราะกระทำการพูดให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสละสลวยจำสาชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้ไหม่และทั้งเขาไม่สามารถชี้แจงชักจูงเพื่อนสัพพมจรี ทั้งหลายให้อานฐารได้ราเริงได้หนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมาประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถพอตัวในการช่วยผู้อื่นแต่ไม่พอตัวในการช่วยตนเอง่า3ประการคือเธอนั้นไม่เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย และเขามีธรรมชาติแห่งความทรงจำที่ได้ฟังแล้วหนึ่งและเขาไม่มีปกติไครกรวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้แล้วและทั้งเขาไม่รู้อัตตาไม่รู้ธรรมะแล้วปฏิบธรรมสมควรแก่ธทมแต่เขามีคาพูดไพระกระทมการพูดให้ไพระประกอบด้วยวาจาแห่งเจ้าเมืองอันสลละสลวย จำใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้และสามารถชักจูงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้อาถารร่าเริงได้พิกสุดทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถพอตัวในการช่วยตนเองแต่ไม่พอตัวในการช่วยเหลือผู้อื่น สองประการคือเท่านั้นไม่เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายและไม่มีธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมะที่ได้ฟังแล้วแต่เขามีปกติไค้์รวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้แล้วและเป็นผู้รู้อัตตารู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่เขาหาเป็นผู้มีคำพูดไพเราะกระทำการพูดให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชามเมืองอันสละสลวยแจ่มใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้ไหมและทั้งเขาไม่สามารถชักจงูงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายให้อาหานราดเรืองด้วยพิสูจน์ทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยทำสองประการ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 ทั้งไม่รู้อาาัตตะรู้ธรรมะแล้วปฏิบดติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ว่ามีคำพูดไปเราะกระทำการพูดให้ไปเราะอาจให้รู้เนื้อความได้และทั้งเขาสามารถชี้แจงชักจูงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายให้อจหัรร่าเริงได้ด้วยพิสูจน์ทอนหลายเธอผู้ประกอบด้วยธรรมสองสองประการเหล่านี้แหละ สามารถพอตัวเพื่อผู้อื่นแต่ไม่พอตัวเพื่อตนเองพิษุจ์ทั้งหลายเหยี่ยวตัวหนึ่งได้โฉบลงจับนกมูลไถตัวหนึ่งไปได้โดยรวดเร็วนกมูลไถกำลังถูกเหยียวนำไปก็พร่ำรำพันอย่างนี้ว่าเรานะ่ะไม่เข้าลักษณะของผู้มีบุญ เรามีบุญน้อยเราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปถ้าในวันนี้เราเที่ยวไปในวิสัยอันเป็นของแห่งบิดาของตนเหยี่วตัวนี้หาสู้เราไม่ได้อย่างนี้เหยี่วจึงถามว่านี่นะลุงมูนไถ ท, ที่ไหนของเจ้าเล่าซึ่งเป็นวิสัยอันเป็นของแห่งบิดาของตนเที่ยวไป นกมูลไถตอบว่าก็ที่ที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไถทิ้งไว้นั่นแหละคือวิสัยเป็นที่เที่ยวของบิดาเราครั้งนั้นเ ย, ยวผู้แสดงความยิ่งเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้ปล่อยนกมูลไถไปด้วยคำพูดว่าไปเถอะนกมูลไถ ถึงเจ้าไปในที่เช่นนั้นก็ไม่พนมือเราแน่ดังนี้ครั้งนั้นนกมูลไทไปยังที่ที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไททิ้งไว้แล้วจึงขึ้นยืนบนก้อนดินใหญ่ท้าเจ้าเหยยีวว่าที่นี่มาสิท่านเหวของเราที่นี่มาสิท่านเหวของเราดังนี้ในครั้งนั้น เ ย, ยวผู้แสดงความยิงพระกำลังของตนผู้อวดอ้างพระกำลังของตนได้ห่อปีกทั้งสองข้างแล้วโฉบลงไปที่นกมูลไถโดยเร็วพิสูจน์ทั้งหลายในการดแลนกมูลไถรู้ตัวเสียก่อนว่าเ ย, ยวตัวใหญ่ตัวนี้จะจับเราแล้วในการนั้น นกมูนไถตัวนั้นก็หลบเข้าซอกดินเสียก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกระนั้นแหละเ ย, ยวตัวนั้นเอาอกกระแทกดินตายเพราะความเร็วณนะตรงที่นั่นนั่นเองพิสุท์ทังหลายผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปแห่งตนย่อมมีอันเป็นไปด้วยประการชนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปเมื่อพวกเธอเที่ยว erm ไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปมันจะได้ช่องทางทำลายล้างมันจะได้โอกาสที่จะทำตามอำเภอใจแก่พวกเธอวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเป็นอย่างไรเล่า คือการมคุณหนี้นั่นเองห้าอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ได้ยินได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกด้วยจมูกรสที่รับรู้ได้ด้วยลิ้นและผลภัณฑ์ที่รู้สึกได้ด้วยสัมผัส่างกายซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ถ้าเข้าไปตั้งอาศัยอยู่อย่างความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความนนกำลังย้อมใจนี่แหละเป็นวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเทีย่ยวไปของภิกษุภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเดิดเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมันก็จะไม่ได้ช่องทางและไม่ได้โอกาส ที่จะทำตามอาเภอใจของมันที่ที่ควรเที่ยวไปเช่นนั้นคืออะไรเล่าที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยคอมิดาตนนั้นได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานสอย่างที่ในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วรอม มีสติพึงนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แต่เธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเ น, องเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนื่องเนืองเป็นอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนื่องเนืองเป็นอยู่มีความเปลี่ยนเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้นี่แหละคือที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาของตนพี่สาหลายประเทศแห่งขุนเขาฮิมาพานอันเป็นประเทศที่กรุกระไม่สม่ำเสมอไปลำบากไม่เป็นที่เที่ยวไปของทั้งฝูงหลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ ที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงแต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และภูมิภาคแห่งคุนเขาหิมพานซึ่งราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ของทั้งของฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่พิสูจ์ทั้งหลายในที่นั้นแหละพวกพรานวางตั่งเหนียว ไว้ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงบรรดาลิงฝูงนั้นลิงตัวใดไม่เป็นลิงที่โง่ไม่เป็นลิงที่โลเลลิงตัวนั้นเห็นต่างเหนียวนั้นแล้วย่อมเว้นออกไกลทีเดียวส่วนลิงตัวใดที่มีสัญชาติเป็นลิงโง่มีสัญชาติเป็นลิงโลเลลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังเหนียวนั้นแล้ว ก็เอามือจับดูมือนั้นก็ติดตัางมันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยตั้งใจว่าจะเปลื้องมือข้างที่ติดตั้งออกมือข้างที่สองนั้นก็เลยติดตัางเขาด้วยมันจึงเอาเท้าข้างที่หนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองที่ติดตัางออกเท้านั้นก็เลยติดตัางด้วย มันจึงเอาเท้าที่เหลืออีกข้างหนึ่งนั้นผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองกับเท้าข้างหนึ่งออกเท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตังเข้าอีกมันจึงเอาปากกัดด้วยคิดตามประษาของมันว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กำลังติดตัางอยู่ออกปากนั้นก็เลยติดตังเข้าอีกด้วย พิสุทธิ์ทั้งหลายลิงตัวนั้นถูกตั้งเหนียวตรึงหประการด้วยอาการอย่างนี้นอนถอนใจอยู่ถึงความพินาศย่อยยับแล้วตามแต่นายพรานจะทําประการดใดนายพรานแทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นจากตัง้งไม่ยอมติ้งที่ไหนลีงไปสู่ตามที่ต้องการได้พิสุทธิ์ทั้งหลาย เพราะขอ้อที่ลิงเที่ยวไปในตินอื่นซึ่งไม่เป็นที่ควรเที่ยวไปจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปเมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปมันจะได้ช่องทางมันจะได้โอกาสทําตามอําเภอใจของมัน ภิกษุต่างหลายก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเป็นอย่างไรเล่าวิสัยอื่นนั้นคือกามากุลทั้งห้าหาอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยลิ้นผู้ตภพที่จะพึงรู้แจ้งได้โดยกายทั้งห้าอย่างนี้ นันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใกล้น่าชอบใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ใงความใกล้เป็นที่ตั้งใ้ความกำนัดย้อมใจนี่แหละเป็นวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเลยฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ